ถ้าทำบาปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยโลภะนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเอ้ยถ้าตัวตนแบบเยร์ถีเกิดร่วมกับจิตดวงไหนโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงเนี่ยนะถ้าโลภะกลัวเป็นตัวเป็นตนด้วยอำ น, นาจโลภะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ากลัวกุศลด้วยก็อันนี้เสียหายมากเนี่ยนะอันการสมาทานในการประพฤติกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยเพราะบุญนี้เป็นชื่อแห่ง ความสุขใช่ไหมโถ้ากลัวต่อบุญแล้วนี่ก็มันกลัวด้วยวิปัสสนามันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมว่าโอ้มนโนสังเจตนาหานเหมือนกับบุุรสองคนนี่จับไปโยนในหลุมผ่านเพลิงเออถ้ากลัวขนาดนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่กลัวบุญไ ม, ไม่กลัวบาปนี่ถ้าอย่างนี้ก็โอวิจารณญาณนี่เสียหายมากเลยนะทีนี้ต่อไปนะว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เราควรตั้งเอาไว้มากๆเลยในพระสูตร ไม่ต่ำกว่าสิบสูตรเลยนะจริงมากกว่านั้นอีกที่พระองค์ตรัสว่าให้เจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสัมมาสังกัปปะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ ท lei, What What ่นเป็นการเจริญกุศลที่น้อมไปเพื่อการสละกิเลสทีนี้น้อมไปเพื่อการสละกิเลสอันนั้นเป็นชื่อของอะไรตัวสละกิเลสนะก็เป็นชื่อของอริยมรรคกับพระนิพพานอริยมรรคกับพระนิพพานเท่านั้นแหละที่เป็นสภาพธรรมที่สละกิเลสทั้นการเจริญกุศลแล้วตั้งอุปนิสัยเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะจ็เป็นการเจริญกุศลที่ชอบธรรมเนี่ยนะเป็นเป็นเจริญกุศลที่ที่ควรเจริญเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะ เออามาเนี่ยตั้งไม่ค่อยกลัวหรอกกลัวแต่มันไม่ค่อยตั้งนลยสิแล้วถาจิตเนี่ยนะถ้าปราศจากการตั้งได้ไหมเราลองจิตมันตั้งหรือมันไม่ตั้งมันก็ตั้งอยู่แล้วอุปาธาถีติทังค่านะถีติมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ตั้งทุกดวงอะไรแต่ว่ามันตั้งทําอะไรกันนั่นนะตั้งน้อมไปเพื่ออะไรนะแม้แต่นอนเรายังตั้งใจไว้จะนอนเลยใช่ไหมแล้วทีหลับแล้วตั้งเอาไว้นะตรัสร้ว่ตั้งไหมตอนนอนนะว่าจะตื่นกี่โมงดีหรือว่า ไม่ค่อยตั้งก็ตั้งอยู่เหมือนกันใช่ไหมเออนันก็หลับยายังตั้งเลยนะทีกุศลก็ตั้งไ้เธอไม่ผิดหรอก น, นี่คือวิธีตั้งใหญ่ๆกว้างๆเลยนะมีการตั้งอยู่สี่วิธีรวมๆเลยนะตั้งเพื่อจะทำปริญญาในทุกอ์นะนี่อย่างหนึ่งนยะแต่ว่าวิธีนี้ไม่ค่อยได้ยินใครปรารถนาเว้นแต่ในกลุ่มที่เพิ่งศึกษากันเนี่ยนะในในกลุ่มเราๆทั้งหลายเนี่ย เรียกว่าตั้งตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ทําปริญญาในในทุกข์แต่ว่าทั่วๆไปแล้วท่านจะนิยมนิยมตั้งว่าอาสวัคยวหังตั้งเพื่อจะตัดสมุทัยอย่างหนึ่งบางพวกตั้งเพื่อจะทําพระนิพพานให้แจ้งบางพวกตั้งเพื่อจะเจริญมัชเนี่ยนะเออถ้าตั้งอยู่ในกรอบสี่ประการนี่ไม่มีผิดมีแต่ถูกอย่างเดียวให้ตั้งไปเถอะเพื่อจะกาหนดรู้ทุกเนี่ยนะ ตั้งเพื่อจะละกิเลสอย่างเช่นเออด้วยด้วยกุศลอันนี้จงเป็นไปเพื่อให้ความโกรธลดรลงเป็นต้นเนี่ยนะก็อันนี้ก็ควรตั้งแล้วก็ตั้งเพื่อกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าตั้งล่างๆกว่านั้นก็ได้อย่างในสมัยพุทธกาลนี่เขาบอกอ่าพระอริยะทั้งหลายท่านพูดว่าการมาในสํานักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาถูกต้องแล้วหนอนนะแต่เขาดีใจนะที่เขาได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะ อันนั้นก็ชื่อว่าเป็นผลของการตั้งใจของเขาอะนะการตั้งใจที่เข้ามาในพุทธสํานักเนี่ยหมายเป็นความตั้งใจที่ดีจริงๆของเราทั้งหลายถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมเนี่ยนะสิ่งนี้จะเป็นอุปการะต่อเรามากเช่นเคยตั้งใจไว้นะโอ้ขอให้ออ่านตตาก็ไต่ดดกจบสักรอบก็ยังดีงนะเออถ้าลองตั้งใจนะว่าหน่าจะอ่านได้สักรอบก็ยังดีการตั้งใจอย่างนี้ถามว่ามีอุปการะไหม ก็ผมพูดถึงพูดถึงคนที่ที่มีปีติปราโมทย์เนี่ยนะมีอยู่ยอมคนหนึ่งชื่อชื่อคุณบุญชูเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังไปปรารบเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมน้อมไปก็ปีติเกิดแล้วเพราะงั้นตอนนี้นะยังไม่ได้ว่าอะไรก็ปีติแล้วบอกบางวันเนี่ยเขาปีติจนร้องไห้เลยนะเขาเขาตั้งเขาจะเขาจะมีแบบบทที่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะเขามีบทพิเศษของเขา เขาชมพระพุทธเจ้าได้ได้ให้เขาชมครึ่งชั่วโมงไม่จบหรอกเนี่ยนะอ่ น, นะเป็นอย่างน้อยนะครึ่งชั่วโมงนี้ไม่จบอ น, นะเขาเขาสรรเสริญพระพุทธคุณได้มากขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตอนหลังไอ้ความที่เขาน้อมไปเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณเจริญพุทธานุสติมมากอ่ะเขาจึงบอกว่าแค่นึกจะชมอนึกจะกราบด้วยการระลึกถึงคุณพระเท้าปีติแล้วเนี่ยนะเขาเขาง่ายขนาดนั้นเมื่อวานก็ยังมาเล่าให้ฟังเลยบอก เนี่ยผมน้อมไปก็เกิดปีตีแล้วเขาว่ากันบางครั้งเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยนะเราก็หันไปดูเอ้าร้องไห้ไแต่ลอดก็บอกมันกลั้นน้ําตาไม่ไหวเลยครับเขาว่ากันเออมีนะเอาเขาเป็นคนที่อุลวันโชว์นี่ยเขามีอะไรแปลกๆของเขานะ่ยก็บอกว่าเสียมไม่คมด้ามให้มันหนักๆผมหัวไม่ดีท่องอย่างเดียวเขาว่ากันก็บอกไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียว เขาก็มีอะไรของเขาแปลกๆอนะแต่เขาก็เนื่องจากว่าสุขภาพเขาถ้าเขาไม่รีบเจริญไว้อ่นะระยะยาวเขาจะมีปัญหาแน่นะคือตาาก็มาค่อยดีหูก็มาค่อยดีเนี่ยนะแล้วก็เอกในความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาชีวิตอยู่บนความเพียรตลอดเนี่ยนะเขาก็ภาคเพียรวันเวลาเข้ามามาท่องเนี่ยบอกคุณชูคุณไปท่องหนังสือมาอยัางไงก็บอกว่าผมเนี่ยเคยไปถามพวกนักท่องทั้งหลายอะ เขาบอกเขามีวิธีท่องยังไงเขาบอกว่าบอกวิธีท่องของเขาก็คือเขาบอกว่าดูทุกตัวทุกตัวอักษรเนี่ยนะสามสิบรอบเขาบากงั้นแล้วว่าออกเสียงอีกสามสิบรอบแล้วก็เพิ่มคมําใหม่ๆ่ังนั้นแล้วทวนของเก่าบ่อยๆนะแล้วจะจําได้คขาบอกงั้นแต่ว่าเลือกที่จะจํานะและสําคัญก็บอกว่ากทนั้นเราต้องการจําจริงๆนะแล้วค่อยทำแล้วมันจะจําได้เขาบอกงั้นทีนี้บางวันอ่ะเอาแล้วถ้าคุณไม่จําละ ไม่จํานะผมไปนั่งขวางประตูเลยบอกวันนี้ถ้าไม่จําก็ไม่ต้องใครไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกแล้ว <c oughs> ลวันนี้เราก็ท่องเอาแล้วบางวันเนี่ยผมว่าผมนี่ไม่บอกว่าท่าไม่จนะํานี่ยไม่ต้องเข้าแล้วห้องน้ํามาอยู่ตรงนี้แหลนะะอาหลังนี่เขาเขาท่องพระสูตรได้เยอะมากนออกมาจะอายคุณบรรจุแล้วตอนเนี้ยเขาเขาจาได้เยอะจริงๆก็แต่ทีนี้ไอ เขาก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ไว้ดีทีนี้เขาก็มีความสมสุขความตามสมควร แ, แก่ฐานะเนี่ยนะเขาก็เจริญพุทธานุสติธัมมานุสติตอนหลังเขาก็เริ่มมาสนใจที่จะเจริญธัมมานุสติกับสังคานุสติละนนะนี่นะก็โดยเฉพาะพุทธานุสติเขามีความสุขมากนะเห็นแล้วก็เพิ่มใจเพราะเขาก็ตั้งอยู่ในสารณะเนี่ยนะเขาได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเขาได้ระลึกถึงบุคคลที่ควรระลึก เพราะว่าการระลึกถึงบุคคลที่ควรระลึกเนี่ยเป็นอนุสต า, านุตริยะนี่นยนะเป็นการระลึกถึงบุคคลที่เยี่ยมที่สุดที่ที่สมควรระลึกคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ก็ น, นับว่าสมสมเชื่ออยู่เหมือนกันนะนะแต่ว่าคนที่เจริญได้นะถามว่าทําไมเขาทําได้รู้ไหมเพราะเขากลัวนรก คนที่ไม่ค่อยเจริญเพราะว่านรกมันไม่ค่อยร้อนหรือไม่ค่อยคิดถึงนรกด้วยซ้ําไปนะนรกอมนนีแต่ไม่ใช่เราคนตกอ่ะไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าคนกลุ่มนี้คิดแบบนี้ก็จะจําอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้ากลัวภัยในอบายเอาไว้ให้มากเห็นภัยในวัตตามากกลุ่มเนี้ยจะรียบคว้าอพระธรรมคําสอนเก็บไว้ในใจจนได้นะนะัะเพราะรู้ว่าหลังจากนี้ต่อไปนี่ยเราจะรู้หรือวัตตาเราจะได้ดีเหมือนเดิมนนะนะ หูเราจะฝังได้ตามเดิมเนี่ยนะสุขภาพเราจะดีตามเดิมห ล, ลายคนเนี่ยนะออบางทีเนี่ยจากไปแพบเดียวกลับมาบอกว่าเผาไปเรียบร้อยแล้วทำอะไรกันเนี่ยนั้นก็อัจเชวะกิจมาตพังโกนชัญญามรนังสเวเนเี่ยนะอกว่าความเพียรเนี่ยควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าการพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นน่ยย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายนะ พระพุทธเจ้านี้สันเสริญบุคคลที่สรนเสริญผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญหมายคำว่าเขามีชีวิตวันเดียวก็เจริญพระองค์ก็ยังชมไว้ในที่อื่นๆว่าบุคคลผู้ปรารบความเพียรเนี่ยนะเขามีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐ ก, กว่าคนที่ไม่มีความเพียรแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีเนะี่ยชีวิตของคนที่มีความเพียรวันเดียวประเสริฐ ก, กว่า เพราะฉะนั้นเราก็อย่าอย่าดูหมิ่นความเพียนทีนี้สําคัญที่สุดนะเราอย่าดูถูกตัวเองถ้าเราไม่มีบุญขนาดนี้เราเกิดไม่ไม่พ่อพระพุทธศาสนาหรอกถ้าเรามีไม่มีบุญขนาดนี้เราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกถ้าไม่มีบุญขนาดนี้ไม่มีตาหูจมูกลิน้นกายใจขนาดนี้หรอกไม่มีสุขภาพดีขนาดนี้หรอกไม่มีจ้างหลายอย่างนะที่เป็นผลบุญของเราคานวณมาแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีบุญขนาดนี้เลยนะส่วนที่เหลือก็ รักษาบุญเก่าก็แล้วกันส่วนในรายละเอียดอื่นๆมีใครจะถามอะไรบ้างไหมเออก็คงคำถามสุดท้ายนะครับเอ่อการที่จะเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขากับตนเองนะครับเริ่มยังไงครับแล้วต่างจากการเจริญพรหมหารกับคนอื่นไหมครับเอ่อ การเจริญเมตตาให้กับตัวเองเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นก่อการเจริญเมตตาต่อคนอื่นอย่างยกตัวอย่างว่าขอเราจงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเราจงเป็นผู้เจริญด้วยศีลด้วยสุตะด้วยจาระฆะด้วยปัญญาเนี่ยนะเราก็น้อมไปหาบุคคลอื่นว่าขอบุคคลอื่นจงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจาระฆะเจริญด้วยปัญญาเหมือนกับเราหรือว่ายิ่งกว่าเรา ดุนักการการน้อมให้เราเป็นเป็นพยานในลักษณะนี้นะอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาเรานี่น้อมประโยชน์เข้ามาหาตัวเราเองก่อนใช่ไหมขอเราพึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตรตเจริญด้วยจาค้าเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยฮิริโอตากะเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายเจริญด้วยมงคลเป็นต้นเนี่ยเมื่อเราน้อมให้เรามีความเจริญลักษณะนี้นะเราก็น้อมว่าความเจริญเหล่านี้จงมีแก่บุคคลอื่นบ้างนะนี ตีนี้ถ้าเราเจริญไปหาบุคคลอื่นโดดโดดโดยที่ไม่เคยเจริญให้แก่ตัวเองเลยแล้วจริงใจจริงหรือเปล่าถ้าคนเราเนี่ยนะถ้าบอกว่าอะไรที่มันเท่าตนหรือดีกว่าตนเนี่ยของสิ่งนั้นมันจริงจะสองสิ่งนั้นจริงจะเรียกว่าประเสริฐจริงใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าได้ของมาแล้วไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้อะไรเลยให้แต่คนอื่นอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่าของนั้นดีจริงหรือไม่การเจริญเมตาก็เหมือนกันเนี่ย เมื่อเราประสงค์ให้เราได้รับความเจริญอันนะความเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายเราก็น้อมความเจริญเหล่าเนี้ไปให้แก่บุคคลอื่นบ้างนี่ในหนึ่งเรียกว่าเจริญเมตตาถ้าเจริญกรุณาเนี่ยนะเราเคยสงสารตัวเองอนะต้องการให้ตัวเองพ้นทุกข์โดยประการต่างๆเช่นต้องการให้เราเนี่ยพึงหายป่วยนะเช่นถ้าเราป่วยเราก็ต้องการจะหายป่วยเราไม่สบายก็ต้องการมีความสุขเรา ได้รับความลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพ้นจากทุกเหล่านั้นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็น้อมไปว่าขอบุคคลอื่นจงพ้นจากทุกข์เช่นเราหรือว่าขอให้พ้นทุกข์ก่อนเราก็ได้ขอให้เขาพ้นทุกข์เธอเนี่ยนะเหมือนกับขอให้เขาพ้นทุกข์ดังที่เราปรารถนาเนี่ยนะเราปรารถนาความพ้นทุกข์เช่นใดขอให้ประโยชน์เหล่านั้นนั้นจงบังเกิดแก่เขาขอให้เขาพ้นจากทุกข์เหล่านั้นนั้นแต่นี้ถ้าเรารู้จักความทุกข์ของตัวเองเนี่ยนะ แล้วน้อมไปเพื่อจะพ้นจากทุกอย่างนี้แล้วก็น้อมไปหาคนอื่นลักษณะนี้เมตตากรุณาเป็นต้นเนี่ยนะมันอยู่ที่เรื่องการคิดเอาสำคัญที่สุดว่าเราน้อมจะไปคิดแบบนั้นหรือไม่หรือถ้ามุทิตาเนยต้องมีความคิดแบบคุณทรงพลก็ได้เราโชคดีที่ได้พบพระธรรมเนี่ยนะคือให้มีความรู้สึกลักษณะนี้นะแล้วทุกคนเนี่ยนะขอให้เขาโชคดีเหมือนเราลักษณะนี้เป็นมุทิตา เออเราเนี่ยมีบุญได้ฟังธรรมเออคนอื่นเขาก็มีบุญนะเขาได้ฟังธรรมเนี่ยนะเออเขามีบุญนะเออเรามีบุญนะได้อ่านพระธรรมคนอื่นเขาก็มีบุญได้อ่า น, าานพระธรรมการคิดในลักษณะนี้เ ร, เรียกว่าเนตาเนี่ยนะเข้ามาด้วยกรรมเออเราเนี่ยมาด้วยกรรมของเราเข้าก็มาด้วยกรรมของเร า, เาอ่ะนะด้วยกรรมของเขานั่นแหละอันนี้ก็น้อมไปเพื่อจะจเจริญอุเบกขาท่านสำคัญที่สุดคือการถ้าเอ่อการเจริญเพื่อความมหาตนเนี่ยในฐ า, านะเป็นพยาน ก็พรหมิหารเนี่ยนะถ้าถ้าเราน้อมไปเพื่อสมาทานเนี่ยดูถ้าจะเจริญง่ายกว่าเพื่อนเพียงแต่ว่าอัธยาศัยเราให้มันประเสริฐหน่อยนะ่็พรมโดยศัพท์ก็แปลว่าประเสริฐให้มีความรู้สึกว่าเรามีความประเสริฐอยู่ในตัวเนี่ยนะคือมีมีศรัทธาอย่างหนึ่งว่าฉันเจริญได้อันนคิดให้คนอื่นมีความสุขนี่เราทําได้อยู่แล้วพราะเราเองก็ต้องการความสุขอยู่แล้วเราทําทุกอย่างก็เพื่อเพื่อความสุข ทำไมเราจะคิดให้คนอื่นมีความสุขไม่ได้นเราก็เริ่มคิดอะนาหารสุกิโตโหฮมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขอาหารอเวโรโฮมิขอให้เราอย่าได้มีเวรเลยนะสัตเพสัตตาเวราโหนตุสัตว์ทั้งปวงก็อย่าได้มีเวรออกกันเลยนะว่าเป็นภาษาไทยเราเนี่ยแหละแบบการจเจริญเมตตาเนี่ยนะมันเป็นความจริงใจอย่างหนึ่งที่ที่เรามีต่อเขาเพราะฉะนั้นส่วนใดที่เราพอจะจริงใจต่อเขาเราควรจเจริญ ในสิ่งนั้นเนี่ยนะเพราะเมตตานี้มันเกิดที่ที่ใจใช่ไหมขอให้มีความจริงใจที่จะให้เขามีความสุขขอให้จริงใจให้เขามีความเจริญอะนะเขาจะได้ไม่ไม่เบียดเบียนจะได้ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลําบากกายลําบากใจพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะเพราะพรหมวิหารเนี่ยนะเพราะพรหมวิหารเพราะว่าผู้ที่ประกาศศาสนาทั้งหลาย ผู้ที่สอนคําสอนของก็สัมมาสัมพุทธเจ้าเขามีความหวังว่าอันนี้เขามีเมตตาอย่างหนึ่งว่าขอให้เขาทั้งหลายได้รับประโยชน์เช่นกับเราเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเมตตาใช่ไหมเรานี่เคยมีความทุกข์นะคนอื่นเขาควรจะได้พ้นจากความทุกข์เราเคยลำบากใจเราศึกษาพระธรรมแล้วไม่ลำบากใจคนอื่นเขาได้ควรได้รับความไม่ลำบากใจด้วยเออเราเจริญ มีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเออเราก็ยินดีกับตัวเองนะคนอื่นเขาได้น่าจะได้มีความสุขชื่นชมกับกับชีวิตที่เป็นอยู่นี่บ้างวั้นพรหมวิหารที่เออขอไปศาสนาที่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพรหมวิหารเนี่ยนะโดยเฉพาะเมตตากรุณาเนี่ยนะยิ่งสําคัญพระพุทธศาสนาที่แผ่กว้างขวางที่พระพุทธเจ้าประกาศพระองค์ประกาศเพราะกรุณาที่พระองค์มีกรุณาเพราะพระองค์มีเมตตา เนนะพระองค์มีเมตตาหวังความสุขให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสุขสุขกับชาณอภิญญามรรคผลนิพพานเนี่ยพระองค์ต้องการให้สัตว์มีความสุขแต่สัตว์ไม่ได้เป็นมีความสุขอย่างนั้นสัตว์กําลังมีความทุกข์อยู่พระองค์ก็น้อมไปเพื่อบําบัดความทุกข์ของเขาแล้วให้เขาเหล่านั้นได้ถึงความสุขถ้าผู้ใดมีความสุขในมรรคผลพระองค์ชมหมดเลยเพราะพระองค์มุทิตาเป็นถ้าใครผู้ถูกพระพุทธเจ้าก็มุทิตา พระ อ, องค์ก็อนุโมทนาสาธุสาธุอ่านดูเถอะดีละดีละสารุบุตรดีละดีละอา น, นอุ์นะสาธุเป็นต้นเนี่ยคำว่าดีละดีละเนี่ยมาจากคำว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มุ้ที่ตาเป็นพระ อ, องค์นี่กรุณาพระ อ, องค์นี้มีเมตตาพระ อ, องค์นี่มีมุ้ที่ตาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยใจพระ อ, องค์เหมือนกับลมให้แต่ความเย็นแต่ไม่ติดข้องเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าประดุดลมเนี่ยนะที่เรียกว่าเหมือนกับน้ําอ่ะที่ให้ความชุ่มเย็นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ผูกพันติดพันอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความสุขเขาไม่ขอบคุณพระองค์ก็ยังไม่ว่าอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หวังความสุขต่อสัตว์โดยถ่ายเดียวก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นตั้งอยู่ในฐานะบิดาของสัตว์โลกเนี่ยนะตั้งอยู่ในบิดาทางเหนือเนี่ยเขาเรียกพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระเจ้าไงเรียกว่าพระเจ้าอ่า โดยสภาวะเนี่ยถ้าหวังให้เขามีความสุขเนี่ยนะก็ไม่มีศาสนาใดสักอย่างรถ้าถ้าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ทีนี้ความสุขเหล่านั้นก็อยู่บนพื้นฐานของทิฏฐินั่นแหละว่าทิฏฐิเป็นยังไงถ้าแบบสุขกันง่ายๆนะเช่นเ อ, อขอให้เขาได้รับความเจริญนะลูกหลานก็ดูแลง่ายนะประกอบอาชีพก็เจริญรุ่งเรืองดีนะความคิดลักษณะแบบธรรมดาทั่วๆไปนี่เป็นเมตตาพื้นฐานแต่ทีนี้ อถ้าว่าโดยรวมๆแล้วนะเมตตาคือการคิดให้เขาได้รับประโยชน์อันนี้ประโยชน์ก็แบ่งเป็นสามประการใช่ไหมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ ง, งนะ น, นั้นการคิดอด้วยให้เขาได้รับประโยชน์สามประการนี้ก็เป็นเมตตาถ้าใครที่ศึกษากรรมรรมัศกตรามาเป็นอย่างดีนะว่าสัตว์ทั้งหลายที่กําลังได้รับกาละวิบัติคติวิบัติอุปธิวิบัติ อ, นนะอะไรอไร ประโยชนคาวิบัตินะเป็นวัตถุแห่งกรุณาถ้าใครที่ได้สัมปติหรือสมบัติสี่ประการในะได้กาลคติอุปธิกประโยคนเนี่ยนะได้คติสมบัติพวกนี้เป็นอารมณ์ของมุทิตาเพราะฉะนั้นเอาสมบัติกับวิบัติเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญพรหมวิหารก็ได้เนี่ยนะซึ่งอัตถาท่านก็แนะนําให้เจริญอย่างนี้อยู่